ต่อจากเรื่องสิงหาคม 2526ณพุทธสถาน เจริญธรรมอ่าทุก 12 ของเรานับเอาวันนี้เป็นวัน แม่นั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่ง ถ้าอยากแม้แต่การจะให้เกิดคนก็ต้องให้เกิดมาและดีเกิดก็ต้องให้สิ่งที่ดีเกิด มีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกต่อสังคม มีลูกชื่อว่าอะไรมีลูกคนเดียวแหละพระนางฮะสิทธัตถะน่ะพระเจ้า หลายคนอ๋ออายม้วนโอ้ยเราก็รู้อยู่แต่มัน ที่ท่านให้กําเนิดดีมาแล้ว แม่ก็หวังจะให้เราดีด้วยก็เนี่ยตะปอนข้าวปอนน้ําเช็ดขี้เช็ดเกลียวมา จะได้เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่ในโลกนะเสียเงินเสียทองอย่างอ่ะเป็นแม่ที่ แล้วลูกออกมาก็ปล่อยทิ้งไป แล้วก็พยายามก็เป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนที่ไม่เข้าใจอบรม ต้องรู้สัจจะว่าเรามีคนจะ รู้สึกกันหมดวันนี้เป็นวันแม่กันหมดวันนี้เป็นวันแม่เราก็จะระลึกถึงว่า ร่างกายสังขารชีวิตและความคิดความ แล้วก็ทําสิ่งที่ดีตอบแทนสั่ง อ่าปฏิบัติสม ท่านเจ็บท่านป่วยท่านเล็กๆน้อยเด็กๆเล็กๆก็เข้าๆ อย่าทําแต่เป็นเพียงวันแม่วันเดียวปีนึงทําอยู่วันเดียว ก็เมื่อทำดีๆชั่วโมงหลายนาทียิ่งดีใหญ่ก็ยิ่งเป็นกำไรๆนะเพราะเราจะต้อง ได้เงินเนี่ยเรากําไรหรือขาดทุนกําไรกําไรเหรอเราทําดี อ่าเอาเสียเงินไปป่ะเราเราให้คนอื่นแล้วนะฮะดีเราให้เงินคนอื่นไปนะ เอาเงินทานคนอื่นแจกจ่ายคนอื่นเอื้อเฟื้อเกรื้อกูลให้คนอื่นอ่านี่ฟังดีๆ ทุกได้เอาไปโกงเข้ามานี้คนเรานึกว่าได้เปรียบได้เอา เป็นความกําไรเสียออกไปสละไปเป็นกําไรเอาเปรียบเข้ามา หลักนี้เป็นหลักแกนหลักแกนแกน เมื่อเมื่อเราเห็นพ่อแม่นี่เสียสละเลี้ยงดู สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเลิกความชั่วเลิกความ ให้เขาดีขึ้นมาๆก็เหมือนกันมีหน้าที่ทําหน้าๆด้วย ช่วยเขาให้ดีขึ้นมาได้ก็เป็นคนที่เหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนกันให้ดีขึ้นมาได้พ่อๆน้องๆที่ๆ อย่างนี้เป็นคนมีบุญมีคุณต่อเรานี้เป็นคนเออคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยได้พูดตอบโต้<ใช> ใครไม่เคยซักเสื้อผ้าให้แม่ๆวัน ทำแล้วเราจะๆพูดๆเลยบอกกล่าวแม้จะโดน เรเราๆแล้วก็ตั้งใจเลิกชั่วที่เราเคยทํามาๆขึ้นด้วย กับคนอื่นๆวันสําคัญๆอื่นพยายามนะเป็นคน การจะเสีย ลูกเลาะวิ่งเล่นกับงานที่เราไปช่วยไม่ แมกำลังจะก้าวไปถึงสัตว์แล้วเอ่อเอา <c oughs> ความเป็นมันปล่อยให้สัตว์มันอยู่กินเป็นธรรมชาติ สัตว์นั้นตายแล้วเค้าก็กินเลยก็เพราะว่าเราก็ ก็ถ้าให้เลี้ยงแล้วกันอ่าแต่หลายคนคงฟังรู้เรื่องนะตอบไม่ใจ เกื้อหนุนเอื้อเฟื้อถ้าไปนะเสร็จแล้วเราจะต้องให้มันรู้เลี้ยงสัตว์ก็อ่า เป็นบาปเป็นบุญต่างกันอย่างนี้หัดคิดนะเรา ต้องศึกษางานด้วยคนเราขยันทำงานดีคนไม่ทำงานเร็วแน่ด้วยแต่งานก็ต้องเลือกงานที่ดีเราขยันทํางานดีคนไม่ทํางานเลวนะนะ จะได้เป็นคนดีมีประโยชน์ในสังคมจะเนี่ยๆ งานไม่ค่อยมากแล้วก็จะเอาเงินเดือนสูงๆเนี่ยเรา หาตอบสิไปเพื่ออะไรได้ความ ต้องเอาความรู้ไปทํางานไม่ใช่เอาความรู้ไป ขยายได้ดีเจริญงอกงามแล้วเราก็อาศัยกิน กินเข้าไปมากๆน่ะร่างกายเราก็แย่หมอรวย เอ่อแย่งชิงเอ่อเอองานนี้นี่ ไม่ใช่จะเอาจะไปหาๆทํางานเก เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในรายละเอียดพวก เมือเรารู้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่หัดเราไม่เป็นรู้แล้วต้องไปหัดเราไม่ อื่นๆๆคนอื่นๆเหมือนกันเค้าเคยทําประโยชน์แก่เราหรือ สำเร็จๆนี่คือความอยากดีของคนเราทํา นะไม่ต้องทํางานเพื่อเอาหน้าเอาสรรเสริญเยินยอก็เป็นอ่ะ ทำความดีต้องให้แล้ว ถ้าไม่ต่อหน้าคนไม่ทําดีอ่ะถ้าไม่มีใครเห็นก็ไม่ทําอยากๆ นะกลับไม่ดีแต่คนนี้มากๆก็ดีถ้าเรา ไปขังคุกมืดเลยไม่ให้มีใครเห็นสักคนนะมันจะทําชั่วมัน ภิกษุได้เลยนะเพราะคนเราทําดีๆทั้ง ให้รู้จริงก็แล้วกันว่าความดี เลี้ยงสัตว์ให้ดีกับเลี้ยงคนให้ดีเรื่อง ไอ้อาหาอะไรมันมันแก่มันเท่าใช้ไม่ได้ ก็คงไม่สนุกสนานไม่จี้อะไรมากนักเพราะว่าเดี๋ยว เออเข้าใจอ่ะคนนี้เก่งมีอ่าเพราะงั้นถ้าที่อธิบายไปแล้วใครตั้งเป็นเอ ประโยชน์เป็นบุญพ่อแม่ด้วย ขัดเสียสละขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เอวัง ก็มีทั้งแม่ทั้งพ่อๆก็มากัน ตัวมนุษย์เนี่ยทรัพย์ทรัพย์ทรัพย์ 4 ประการทรัพย์ 7 ประการมีอะไร ผู้สัจจะเอางั้นเลย 7 นั่นแหละเออเอาหิริกรณ์นี่หิริอุตตปะ 4 ก่อน 7ๆ หรือสภาวะของพหุสูตพหุสัจจะๆตั้งจริงในคนความๆ จิตวิญญาณเนี่ยเจริญขึ้นๆเพราะเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเรามีทรัพย์เจริญหรือง่าย give สับแท้ๆของมนุษย์น่ะสับจริงๆถ้าเรา เกิดมาเป็นโลภเป็นราภยศสรรเสริญโลกีน่ะถ้ายิ่งโง่เงา แล้ววัฏฏสงสารนี่ก็คือมันจะหมุนเวียนอยู่งั้น สัทธาศีลจาคะปัญญาปัญญาเป็นพ่อ 4 ตัวเนี่ยจําได้บ้างมั้ยปัญญาเป็นพ่อศีล อยู่ใกล้อยู่ชิดตัวเราถ้าเพราะว่าศีลห่างเราก็คือ ข้อหมายของศีลเอาเข้มขนาดไหนเคร่งขนาดไหนสูงขนาดไหนเราก็ โลกคือส่วนที่จะต่อไปอีกต่อไปต่อไป ให้เกิดจาคะเพราะฉะนั้นบ่าวผู้ๆ จะต้องรู้ด้วยนะจะต้องมีปัญญารู้ว่าจาคะเกิดมั้ยในตัวเรานี่มีจาคะมันมันเกิดจริง จาคะๆในมนุษย์เป็นทรัพย์แท้ๆเลยศีลเป็นทรัพย์ เห็นผลว่าศีลนี่นะๆระดับสูงขึ้นเรื่อยๆปัญญาๆรู้เติมๆ แล้วเราก็รู้รู้เสริมรู้รอบแล้วก็รู้สึก หรือเราจะต้องสะสมทรัพย์ก็คือสะสมได้ได้ได้ ความรอบรู้นิพมารู้เพราะเมื่อเราเห็นว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่ง นัดเข้าก็กลัวยิ่งมันสูงขึ้นแล้วมัน และต่างๆนานาเหล่า จะเรียกญาณทัศนะวิเศษจะเรียกปัญญาก็เหมือนกันเป็นความ ปรับปรุงให้บริบูรณ์ปรับปรุงให้บริสุทธิ์ปรับปรุงให้ เออรสละสกายะถือ 4 ศรัทธากับศีลเป็นแม่จาคะกับปัญญาเป็นพ่อลูกนั้นล่ะจะไปนะ มีตัวยังยึดยังติดเป็นพันอยู่ล่ะนะมันจะได้พันที่ดีเป็นตระกูล เด็ดขาดไม่มีเปลี่ยนแปลงเอ่อหัวเด็ดตีนด้วนไม่เปลี่ยน เข้าใจเลยว่าๆจริงๆจริงๆจนกระทั่งเกิดสงบ อาตมาว่าอาตมามีปัญญารู้แจ้ง ประเสริฐกว่ามีคุณค่ามากกว่าสบายกว่าไม่เป็นภาระไม่เป็น เสล้าแล้ว คาวกามตายด้านก็ไปเห็นจะต้องดอยต้องดอย ไม่กลัวตายเพราะว่าของเราพร้อมๆสมบูรณ์ ไม่ทุกข์เลยไม่ๆอยู่ในระบบของโลกนี้เค้าจะต่ําส่งรวยนั่น แล้วจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ในอภิธรรมรู้จักว่าอะไรสัทธา <c oughs> ตนก็ได้ๆเชื่อๆเป็นสับเป็นความจริงของจิตวิญญาณของเราศรัทธาก็คืออาการ บาปะก็คือบาปสัพพะปาปัสสะก็คือบาปบาปทั้งปวงอักกระณังดรงด อ่าอย่าว่าแต่ชังเลยนี่ก็ เทพชั้นต่ําเราเทพชั้นอุบัติเทพชั้นวิสุทธิเทพเป็นเทพ ไม่ต้องไม่มีความเพลิดเพลินเจริญใจ เห็นๆแล้วเราก็ศรัทธาจริงสั่งสมได้ศรัทธา ศรัทธาต้องมีพ่อกำกับเสมอต้องมีปัญญากำกับเสมอสุขโลกิยะสุขนี่ ได้เสพทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งเออได้ทําอย่างงี้ เป็นภาวะตัณหาจึงไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ ถ้าเราสร้างสรรค์ถ้าเราคิดนึกเหมือนกับเป็นภวะตัณหานี่ วิศวกรรมคิดมนุษย์ไม่ใช่สร้างมามอมเมา ที่ชวนให้ตัวเราเองอุปาทานๆเลยอย่างโอ้ถ้าไม่ได้แต่งเนื้อ เออเดี๋ยวนี้บ่าๆแล้วๆ มันติดมันยึดจริงๆมันถึงตายก็ได้ถ้า แต่เราก็อยู่กับสาระสร้างสาระมีคุณค่า เรามีความรู้ๆมีความรู้อันวิเศษเป็นญาณทัศนะวิเศษความรู้โลกรู้สภาพอะไรต่อรอบรู้อย่างอาตมานี่ไม่เรียนอะไรมามากแต่อาตมาว่าอาตมารอบรู้อะไรเนี่ยขยายความอยู่เนี่ยไม่ไปอ่านจะตรบตำราอะไรมาหนักหนาอ่านเหมือนน่ะอ่านบ้างได้นิดมาเสริมเป็นข้อแล้วมันทําให้ลึกคือสาริสัมเข้าลึกกว่าที่เขาให้ข้อมาได้ซ้ําเอาประกอบแล้วโอ้โหมัน ได้อะไรมานิดมันหน่อยไอ้อาตมาโอ้มันรู้สึกว่าเออ ขยายได้ขึ้นโอ้โหมากมายๆง่ายๆมันฟุ๊กๆมันก็ดีนี่ๆ เนรุลมสะยะะอันนั้นนี่ฮะหลนสะยะะเลยแต่ขนาดนั้นมันก็ เนี่ยๆเนี่ยเราต้องแต่อู้อืมไปอ้าว กินบุญเก่าไปเลอะๆเถอะๆไปอีกเลอะๆเถะๆ ขึ้นได้ถ้ามันยิ่งพยายามภาคเพียงมวยจะได้ขึ้นจากบ่อขึ้นจากล้มไปได้มากๆขึ้นแม่งั้นก็ kialakul